เรื่องที่34ดีชนะชั่วพุทธก่อนแต่อธิบายพระพุทธวจนะบทว่าอาซาทุงจิเนซึ่งเราถือว่าเป็นสุภาษิตหัวใจของศาสนาในทางเอาชนะไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะในเรื่องใดก็ตามพระพุทธวจนะบทนี้แปลว่าจงชนะความร้ายด้วยความดี วันนั้นตั้งประเด็นที่จะอธิบายไว้2ประเด็นคือจะพูดถึงวิธีชนะแบบนี้เสียก่อนแล้วจึงจะพูดถึงผลพูดถึงผลได้ผลเสียเปรียบเทียบกับการชนะแบบอื่นแต่หากเวลาหมดเสียก่อนพูดประเด็นแรกประเด็นเดียวก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้จะอธิบายต่อและเรื่องนี้จาเป็นที่ต้องต่อเสียด้วยเพราะถ้าใครไม่เข้าใจความหมาย มักจะคิดผิดและปฏิบัติผิดบางคนพอได้ยินว่าให้ชนะร้ายด้วยดีคิดว่าถูกแล้วก็เลยคิดว่าที่ชนะด้วยความดีนั้นคือไม่ต้องทำอะไรโต้ตอบคู่ต่อสู้เลยปล่อยให้เขาทำท่าเดียวแล้วก็คิดว่าตนพยายามเอาชนะด้วยความดีอย่างนี้ก็มีบางคนพอได้ยินว่าให้ชนะความร้ายด้วยความดี ก็เลยคิดไปอีกว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องร้ายมาร้ายตอบจึงจะชนะอย่างนี้ก็มีซึ่งเป็นความคิดเขวการขบคิดข้อทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นข้าพเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับเราจะตักน้ำในบึงขึ้นมาอาบมากินวิธีตักน้ำตื้นนักก็ไม่ได้น้ำดีมีแต่รากจอกรากแหน จ่วงเลือกเกินไปก็ไม่ได้จะเจอโคลนกลายเป็นน้ำขุนคนที่ตักเป็นได้กินน้ำใสยเย็นสนิทเวลาตักเขาต้องเอาขันแหวกผิวน้ำออกแล้วก็จ้วงลงไปตักเอาย่านกลางของน้ำอย่าให้ตื่นเกินไปอย่าให้ลึกเกินไปการกดคิดข้อธรรมก็ให้ทำเหมือนคนตักน้ำบึงนั่นแหละคิดตื่นนักมักเฉลิง คิดลึกนักมักจะหลงทั้งเหลืงทั้งหลงผลที่สุดก็เหลวด้วยกันทั้งนั้นเรื่องการชนะความร้ายด้วยความดีก็เหมือนกันต้องขบคิดหาความเข้าใจพอดีพดีเราทบทวนความสักนิดหน่อยก่อนเห็นจะดีวันก่อนได้เสนอแนไว้ว่าแนวทางชนะของคนเรามีอยู่สามชั้นคือชนะตัวเอง ชนะคู่ต่อสู้และชนะใจมหาชนแต่และเรื่องต้องชนะให้ครบทั้งสาประตูจึงจะนับว่าเป็นชัยชนะอย่างเลิศและเป็นชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญส่วนวิธีเอาชนะซึ่งเราถืออุดมคติว่าชนะความร้ายด้วยความดีนั้นในทางปฏิบัติเราจะต้องทำความเข้าใจให้แน่นอนเสียก่อนว่าอะไรคือร้ายอะไรคือดี อย่าให้ปนกันถ้ายัางไม่รู้จักดีรู้จักร้ายก็ชนะยังไม่ได้วันนั้นได้ให้ข้อสังเกตไว้ง่า ย, ายว่านิสัยใจคอของคนเราเองที่มันหน่วงเหนี่ยวตัวเราให้ชั่วต่ำลงไปหรืออย่างน้อยที่สุดมันกีดขวางเราไม่ให้ทำความดีได้สะดวกนิสัยทั้งหมดนั้นเรียกว่าความชั่ววันก่อนได้ยกตัวอย่างมาให้ดูหลายอย่างเช่นนิสัยติดการพนัน นิสัยขี้ปดนิสัยสับสอยุยงเหล่านี้เป็นต้นเรื่องพันนี้ทุกคนต้องตรวจดูในตัวเองจึงจะทราบให้คนอื่นดูให้สู้เราดูของเราเองไม่ได้เหมือนเรานั่งอยู่ด้วยกันในเวลานี้ใครคันตรงไหนใครจะไปรู้ด้วยแต่ตัวเราเองก็รู้ว่าเราคันตรงไหนถึงคนอื่นจะรู้ก็รู้เมื่อเห็นเราเก่าแล้วเท่านั้น เราเกาตรงไหนเขาก็รู้ว่าเราคันตรงนั้นแต่ตอนก่อนเกามีคนรู้อยู่คนเดียวเท่านั้นคือตัวใครใครรู้นิสัยชั่วต่ำในตัวก็เหมือนกันของใครใครรู้ถ้ายังไม่รู้ก็สอบสวนดูเองตัวเองสอบสวนตัวเองดีกว่าคอยให้คนอื่นมาสอบสวนให้และเมื่อดูแล้วเห็นว่าอะไรชั่วก็ให้หมายใจไว้ คนเรามันก็มีด้วยกันทั้งนั้นก็คนนี่ไม่ใช่เทวดาในแบบพิมพ์ใบสำคัญฐานหรือใบสมโนโครัวเขาพิมพ์ช่องไว้เสร็จเลยว่าใครมีตำหนิที่ไหนในตัวไม่แบบว่าสมโนครัวคนบ้านนอกคนในกรุงเพราะเป็นที่รู้กันว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันต้องมีตำหนิด้วยกันทั้งนั้นไม่อยู่ข้างหน้าก็อยู่ข้างหลัง แต่ต้องมีจนได้ทางด้านจิตใจก็เหมือนกันปุถุชนมีกิเลสทุกคนต้องมีนิสัยไม่ดีติดตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นตําหนิทางใจข้อสําคัญดูตัวเองให้มันเห็นแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไปก็แล้วกันก็จะเห็นนิสัยชั่วตกค้างอยู่ในตัวคนละมากบ้างน้อยบ้างทุกคนแต่ถ้าใครมองหาตัวไม่เจอหรือดูตัวไม่ถึงตัว ก็จนใจที่พูดนี้ไม่ใช่ยั่วให้คันแต่ต้องการให้คิดถึงตัวเมื่อเห็นอะไรไม่ดีในตัวเองก็จะได้คิดแก้ไม่ใช่ให้หมดหวังและคิดดูถูกตัวเองว่าเป็นคนนาภัพคนเดียวในโลกและเวลาเห็นความชั่วในคนอื่นก็ไม่ด่วนดูถูกเขาคิดเสียว่าเขาก็คนเหมือนกันจะให้ปลอดเหมือนพระอินทร์พระพรหม อย่างไรได้เรามาสารภาพต่อตัวเองเสียดีๆ ด, ดีกว่าเราก็มีความชั่วติดตัวอยู่บ้างแล้วมาคิดหาวิธีเอาชนะความชั่วร้ายต่อไปหลักการสำคัญก็คือเราจะเอาความดีชนะความชั่วในทางปฏิบัติเราจะต้องเลือกดูว่าเรามีนิสัยชั่วอันใดบ้างที่พอจะชนะได้ง่าย ให้ปักใจชนะความชั่วชนิดนั้นก่อนอันไหนรู้สึกว่ามันฝังใจมานานแล้วจนกลายเป็นโรคเรื้อรังก็ให้เว้นไว้ก่อนถ้าเหมือนกับปราบโจรดีกว่ากำลังเราน้อยก็ปราบแค่สมุนโจรไปก่อนเมื่อสมุนร่อยหรอลงตัดหัวหน้าก็จะสิ้นฤทธิ์และปราบง่ายเมื่อตกลงใจว่าจะประลองฝีมือกับความชั่วชนิดใดแล้ว ก็เริ่มสะสมความดีที่ตรงกันข้ามกับความชั่วชนิดนั้นขึ้นในตัวอย่าลืมว่าความดีที่เราจะใช้ชนะความชั่วนั้นยืมใครไม่ได้ต้องเป็นความดีที่เราทำได้เองอย่างเช่นจะชนะความใจร้อนขี้โกรธขี้โมโหเราต้องสารวจดูว่าความเย็นในใจเรามีไม้มและมีพอหรือไม่ แล้วแต่ว่าใครร้อนมากร้อนน้อยเพราะบางคนไปตกอยู่ใกล้สิ่งที่จะทําให้ใจร้อนมากๆและบ่อยๆเช่นเกิดไปได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีชอบหาเรื่องร้อนมาใส่หรือเกิดไปอยู่ในหน่วยเดียวกับคนปากร้ายชอบยั่วให้เราร้อนใจมากๆอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องมีความเย็นไว้ในใจให้พอสารองไว้มากๆ เหมือนปลูกบ้านอยู่ใกล้ที่ที่มีเปลวไฟแลบมาถึงน้ำอย่าให้ขาดตุ่มไม่มีก็ต้องหาเตรียมไว้ตามตัวอย่างที่ยกมานี้ความเย็นใจเราจะหาได้ด้วยการฝึกใจเราเองให้มันเย็นวิธีฝึกให้ใจเย็นนี้ทางศาสนาเรียกว่าแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือพยายามฝึกส่งกระแสจิตที่สงบเย็นออกไปหาคนอื่นนั่นเองคือคิด ให้คนนั้นๆมีความสุขต้องฝึกบ่อยๆแล้วจะเห็นผลทีนี้พอฝึก น, น, นานๆรู้สึกว่าเรามีความเย็นในใจพอสมควรแล้วลองซ้อมดูบ้างวิธีซ้อมคือลองส่งกระแสะจิตที่เยือกเย็นนั้นไปหาคนที่ชอบทำให้ใจเราร้อนดูบ้างลองดูเช่นคิดถึงใครคนหนึ่งที่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจมาแล้ว ตั้งใจว่าขอให้เขามีความสุขความเจริญให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นลองดูสิกระแสจิตของเราจะสงบเย็นเป็นปกติหรือไม่คนที่มีความเย็นในใจน้อยจะทําไม่ค่อยได้คือมันสู้ความร้อนของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แสดงว่าเรามีความเย็นน้อยหากมีสิ่งที่ยั่วใจอย่างแรง จะทนไม่ไหวไม่มีความดีพอจะเอาชนะเหมือนน้ำเรามีตุ่มเดียวไฟไหม้มุ้งพอดับได้แต่ถ้าไฟไหม้ เ, เรือนดับไม่ไหวนี่ยกตัวอย่างการเตรียมดีไว้ชนะความใจร้อนอย่างเดียวดีนั้นเราต้องฝึกต้องเตรียมไม่ใช่คอยนึกเอาง่ายๆถึงคิดว่ามีแล้วก็ต้องซ้อมดู วิธีปฏิบัติธรรมะในศาสนาของเรามีทั้งการฝึกและการซ้อมไม่ใช่มุ่งไปในทางเสกทางเป่าและเป็นศาสนาที่ให้ทุกคนสร้างดีขึ้นในตัวเองให้ดีทุกคนไม่ใช่คอยพึ่งดีของคนอื่นอย่างทหารนี่แหละต้องให้รบเป็นทุกคนไม่ใช่ให้เก่งแต่ผู้หมวดผู้กองเหมือนทหารในสามกกไม่ใช่อย่างนั้น การสร้างความดีขึ้นในตัวนั้นเป็นการชนะความร้ายไปในตัวเรื่องนี้เห็นจะไม่มีใครสงสัยข้อสำคัญขออย่างเดียวอย่าไปหลงคอยจะเอาความดีของคนอื่นมาชนะความชั่วในตัวเราที่คอยนั้นก็อาจได้ผลอยู่บ้างแต่สู้เรามีความดีไว้กับตัวเองไม่ได้อ่านหนังสือออกเองดีกว่าคอยวานคนอื่นอ่านให้ฟัง ความดีที่เราทำได้เองก็ดีกว่าอาศัยความดีของคนอื่นเหมือนกันเรื่องชนะความร้ายในตนเองเอาเป็นผ่านไปทีทีนี้ว่าเรื่องการเอาชนะคนอื่นคือคนที่มาทำร้ายร้ายกับเราซึ่งก็ใช้พุทธภาษิตข้อเดียวกันเป็นหลักคือต้องชนะคนไม่ดีด้วยความดีหรือจะแปลชัดๆว่า ต้องชนะความร้ายของเขาด้วยความดีของเราอย่างนี้ก็ได้ในทางปฏิบัติเราจะทำอย่างไรถ้าข้าศึกยกมาลุกรานบ้านเมืองของเราเราจะต้องนั่งพนมมือกราบเขาอย่างนั้นหรือจึงจะเข้าตำราชนะคนร้ายด้วยความดีถ้าใครคิดอย่างนั้นก็นับว่าคิดตื้นเกินไปได้พูดมาแล้วแต่ต้น เราจะใช้ความดีเป็นเครื่องมือใช่นะเราจะต้องรู้จักความดีให้แจ้งแก่ใจเสียก่อนว่าการกระทำขนาดไหนเรียกว่าความดีการกราบไหว้นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราทำจริงแต่ทรงวางเงื่อนไขไว้ด้วยว่าจะต้องไหว้คนที่ควรไหว้เราจะต้องรู้จักเลือกทำในสิ่งที่ควรจึงจะดี การที่เราจะคุกเข่ากราบข้าศึกที่ยกมาตีเอาบ้านเมืองของเราแล้วจะคิดว่าทำอย่างนั้นเป็นการชนะด้วยความดีหาได้ไหมถ้าทหารทำอย่างนั้นมันก็เป็นความไม่ดีไปแล้วเป็นการชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีขอให้คิดดูหลายๆชั้นที่ว่าความดีความดีนั้นนอกจากจะทำวิธีที่ดีแล้ว ยังต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะและเหตุการณ์อีกไม่เช่นนั้นก็ไม่ดียกตัวอย่างเช่นการให้ทานทางศาสนาสอนว่าเป็นความดีแต่ทานก็มีเงื่อนไขไว้ด้วยว่าต้องให้แก่คนที่ควรให้ถ้าไปให้แก่คนไม่ควรให้ทานแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีอย่างเช่นให้เงินทองยวดยาน หรือสเสบียงอาหารแก่พวกโจรก็ให้เหมือนกันแต่เป็นการให้ที่ผิดทางศาสนากลับตำหนิว่าเป็นการสมโจรหรือฉายาจรรรมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะถือว่าเป็นความดีไม่ได้ที่พูดนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นทางคิดว่าที่ว่าให้ชนะความชั่วด้วยความดีนั้นต้องเป็นความดีจริงๆไม่ใช่คิดว่า ถ้าชื่อมันดีแล้วก็ถือว่าเป็นความดีเสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นที่ทำผิดนั้นผิดกันตรงนี้ผิดตรงที่ใช้ความดีผิดที่กิริยาบางอย่างเราคิดว่าเป็นความดีเช่นการยิ้มการทำเป็นใจดีการให้อภัยการไหวเหล่านี้เป็นต้นแต่ความจริงแล้ว ถ้าใช้กริยาเหล่านี้ผิดที่ไปก็กลายเป็นความไม่ดียกตัวอย่างเช่นการให้อภัยคือไม่ทำโทษแก่ผู้ผิดถ้าลูกเราเป็นคนดื้อเกเรเราจะให้การอภัยเอาชนะความดื้อเกเรของแก่ไม่ได้ไม่มีวันชนะเพราะฉะนั้นการให้อภัยในกรณีที่ไม่ควรอภัยจึงไม่ใช่ความดีที่พูดมานี้ รู้สึกว่าจะวนเวียนสักหน่อยขอให้ค่อยๆ ค, ค, คิดดูไม่ช้าก็จะเห็นจริงโปรดเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั้นหมายถึงความดีที่เหมาะสมกับเหตุมิใช่ดีแต่ชื่ออย่างเช่นทหารจะเอาชนะค่าศึกด้วยความดีก็หมายความว่าด้วยความดีอย่างของทหาร ที่เราฝึกหัดกันเหงื่อไหลใครย้อยทุกวันนี้ก็เพื่อสร้างความดีไว้ชนะคนร้ายนั่นเองการลงโทษผู้ผิดการดกุการตำหนิการงดช่วยเหลือการปรับไหมการไล่ออกจัดงานสิ่งเหล่านี้ฟังแต่ชื่อเหมือนเป็นความไม่ดีแต่ถ้าทำเหมาะแก่เหตุก็เป็นความดีที่ใช้ชนะคนชั่วได้ชื่อมันไม่น่าฟังหรอก แต่มันก็ดีพระพุทธเจ้าเองก็ทรงลงโทษคนผิดเช่นรับสั่งลงโทษพระสนนะห้ามมิให้พระสงฆ์ติดต่อและทรงวางโทษพระที่ทำผิดวินัยไว้เป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงไล่ให้ศึกเสียจากพระนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วความดีที่เราจะใช้ชนะคนชั่วนั้นอาจเป็นการลงโทษคนชั่วก็ได้จะดุจะว่าก็ได้ ไม่ใช่จะต้องนั่งโโอกันเรื่อยไปการฟ้องร้องเอาโทษการกักขังและการลงทันอื่นๆอีกแยะหากทำสมเหตุก็เป็นความดีที่ใช้ชนะความชั่วได้ที่อธิบายพุทธภาษิข้อว่าอาซาทุงซาทุนาจิเนจงชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความดีเท่านี้ หวังว่าคงพอจะทำให้ผู้ฟังมองทางปฏิบัติได้พอสมคว ร, รโปรดจำไว้เถอะว่าความดีชนะความชั่วได้แน่นอนและถ้าชนะโดยวิธีนี้แล้วความสงบสุขย่อมจะเกิดขึ้น